แต่ตามหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาทาภาคปฏิบัติทั้งหมดก็คือไตรสิกขาซึ่งแบ่งเป็นสมระดับคือศีลสมาธิและปัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาล้วนเป็นธรรมทั้งสิน้นจึงมีทาขั้นศีลทาขั้นสมาธิและทาขั้นปัญญาคาว่าศีลธรรมในภาษาไทย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 ต่อมาในอัตกถาจึงใช้กันดื่น